ภิกษุผู้ควรแก่มานัดอยู่ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัต ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศษ ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหนึ่งรู้แต่ปิดไว้เดือนหนึ่งปิดไว้โดยไม่รู้ ภิกษุนั้นขอปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทภิกษุรูปอื่นผู้เป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัติทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญา มีความละอายมีความระมัดระวังไฟการศึกษามาถึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัตอะไรภิกษุนี้อยู่ปริวาทเพื่ออาบัตอะไรภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน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 เพื่ออาบัติเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายการให้ปริวาทสําหรับเดือนที่รู้แต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฝังขึ้นส่วนการให้ปริวาทสําหรับเดือนที่ปิดไว้โดยไม่รู้ไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัดเดือนหนึ่ง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 สงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัต ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาภิกษุรูปอื่นผู้เป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรร ม, ท ร, รมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่การศึกษามาถึง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 มาถึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติอะไรภิกษุนี้อยู่ปริวาทเพื่ออาบัติอะไรภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตสังขารที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งแน่ใจแต่ปิดไว้ เดือนหนึ the e ่งปิดไว้โดยไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายการให้ปริวาสสำหรับเดือนที่แน่ใจแต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฝังขึ้นส่วนการให้ปริวาสสำหรับเดือนที่ปิดไว้โดยไม่แน่ใจไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมย่อมฝังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัดเดือนหนึ่ง